ชื่นหนึ่งซึ่งแล้ว่าเสี่ยงอันตรายมากนั่นคืออาชีพประจนเพลิงนะหรือว่าดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงในเมืองที่ไม่ตามตึกสูงหรือว่าดับเพลิงที่ไม่ลุกลามในป่าอันนี้มันอันตรายพอๆกันเลยทีเดียวแต่ถะว่าไปนล้วนี้ดับเพลิงในป่านี้อาจจะลําบากมากกว่าเพราะว่ามัน มักจะอยู่ห่างไกลจากเทคโนโลยีห่างไกลจากเครื่องไม้เครื่องมือห่างไกลตัวช่วยแถมยังมีตัวแปรเยอะเช่นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมในบางแห่งบางที่นะการดับไฟป่าเนี่ยคนที่ดับไฟป่านี่ก็ไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านี้ก็มีอุปกรณ์ไม่กี่อยา่างแต่ในบางประเทศนะอย่างอเมริกา นักปชนเพลิงนี่อุปกรณ์เพียบนอกจากเลื่อยขวานพลัวแล้วยังมีอิทธิยุมีอะไรต่างๆมากมายบรรจุใส่เป้ น, นี่ก็นับสิบกิโลเวลาไปปจนเพลิงนี่มีเฮลิคอปเตอร์นะหรือว่าเครื่องบิทนที่พานักปจนเพลินไปย่อน ตามจุดที่มันมีไฟไหม้โหมแรงอันนี้มันก็ต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากแต่เมืองนอกอย่างอเมริกาเนี่ยเครื่องไหม้เครื่องมือเ็เพียบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้สำเร็จเสมอไปนะเพราะว่าบ่อยครั้งนี่ไฟมันก็ลุกลามได้เร็วแล้วก็แรง บางทีมันเปลี่ยนชิดจากการไล่ล่าดับไฟป่ากลายเป็นการหนีหนีไฟเอาชีวิตรอดสถานเดียวเลยเ้ามีไฟมันก็ลามเร็วมากนะวิ่งหนีอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำในอเมริกานี่มันก็มีนักขัจนเพลิงที่ตายเพราะาถูกไฟคลอกนี่ ไม่น้อยเลยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าหนีไฟไม่ทันโดยเพราะเวลาหนีไฟนี่มันก็ต้องวิ่งขึ้นเขานะวิ่งขึ้นที่สูงมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะนักปจนเพลิงนี่ถูกส่งไปดับเพลิงที่เป็นไฟป่า แต่จไปดับมานี่ต้องหนีไฟเรียก ว, ว่าวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเลยแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นที่สูงเพราะว่าไปไม่ทันถึงยอดนะไปวิ่งไปไม่ทันถึงสันเขาไฟมันก็ตามทันแล้วก็คลอกจนเสียชีวิตกันสิบกว่าคน ฉะนั้นที่ถ้าวิ่งอีกสักหน่อยนะแค่60เมตรเท่านั้นล่ะก็จะปลอดภัยแต่ว่าวิ่งไปไม่ถึงไปไม่ทันไฟมันตามทันซะก่อนแล้วเขาก็มีการสอบสวนนะสิ่งที่ก็พบคือว่า ั่ประจนเลที่ตายเนี่ยทั้งหมดเลยเนะวิ่งขึ้นเขาหนีไฟเนี่ยขณะที่สะพายเป้เนี่ยหนักเป็น10บโลเลยส่วนมือนี่ก็บ้างก็ถือขวานบ้างก็ถือพลัวบ้างก็แบบเลื่อยเมื่อเกิดคำถามขึ้นมา น, นะว่า ทำไมจึงหนีไฟโดยที่แบกน้ำหนักมากมายวิ่งขึ้นเข า, ท, า, ท, าทั้งๆที่ถ้าเกิดสละเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าสละเป้เนี่ยตัวก็จะเบาแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะรอดตายเพราะว่าวิ่งขึ้นไปถึงสันเขาซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัย มันก็มีกรณีแบบนี้เยอะนะวิ่งหนีขึ้นเขาแต่ว่าไม่ทันถึงยอดไม่ทันถึงสันเขาก็ถูกไฟครอกโดยที่แบกของแบกเครื่องไม้เครื่องมือนี่เป็น1ิบสิบโลมันก็เป็นคำถามนะ้วทำไมเขาไม่ปล่อยทำไมเขาไม่วางขณะที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดนี่ หากว่าทิ้งเป้ทิ้งเรื่อยนะโยนพลวัวทิ้งนี่โอกาสที่จะรอดเนี่ยมีสูงที่เดียวอันนี้ก็เป็นไปได้นะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าลืมนะลืมแบกน้ำหนักเยอะแล้วก็ลืมว่าแบก ตอนนั้นเนี่ยคิดแต่จะวิ่งเพื่อนนี้เอาตัวรอดไปให้ถึงสันเขาบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยแม้จะแบกของหนักแต่ก็ลืมเลยลืมว่าแบกบอาจจะเป็นพ่อความตื่นตกใจหรือพ่ออะไรก็แล้วแต่อย่างบางคนนสมัยก่อนเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ย แบกโอ่งนะแบกอง่งหนีไฟนะเพราะว่าเป็นสมบัตินะที่อยู่ใกล้มือในโอ่งก็มีน้าด้วยนะในตอนแบกอ่งวิ่งหนีไฟนี่วิ่งได้นะเป็นสิบสิบเมตรเลยแต่พอรู้ว่าพอปลอดภัยแล้วรู้ว่าตัวเองแบกอะไรอยู่นี่มันรีบปล่อยทันทีเลยนะเพราะมันหนัก ไอ้ตอนที่วิ่งหนีไฟนี่ไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยอาจจะลืมไปด้วยนะว่ากําลังแบกนะโอง่งวิ่งหนีไฟพนักงานดับเพลิงหรือว่านักปะชนเพลิงเหล่านั้นเนี่ยนะที่ที่ตายเนี่ยตอนที่วิ่งหนีไฟก็คงจะลืมไปนะว่ากําลังแบกน้ําหนักเอาไว้มากทีเดียวก็เลยไม่คิดที่จะสลัดไม่คิดที่จะวางไม่คิดที่จะปล่อยสุดท้ายน้ําหนัก ที่แบกเอาไว้มันก็ทำให้ตัวเนี้ยถึงแกชีวิตบางครั้งเนี่ยด้วยความลืมตัวเนี่ยเราแบกอะไรมากมายนะแต่ว่าด้วยความลืมตัวก็เลยไม่รู้ว่าแบกอยู่เมื่อสักสามสีเดือนก่อนมันมีคลิปวิดีโอนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนนะ แกก็มีลูกอ่อนอายุสักประมาณหนึ่งปีหรือเกือบเกือบขวบอันเนียตัวเองก็นั่งดูโทรศัพท์มือขวาก็ถือโทรศัพท์จ้องมองโทรศัพท์ไม่ตาผไม่กระพริบเลยส่วนขาเนี่ยก็แตะล้อของรถเข็นนะที่ปกติก็ให้ลูกเนี่ยนั่งรถเข็น แม่นี่ก็เอาขาเนี่ยขยับล้อให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนกับว่าจะทำให้ลูกเนี่ยหลับ ก, ก็ใช้ขาเนี่ยขยับรถเข้าออกเข้าออกหลังจากที่ดูโทรศัพท์ไปพักหนึ่งก็ลืมตาก็ก็กกอาก็หันไปมองที่รถบอกาัว่า ไม่เจอลูกลูกหายไปไหนตกใจลูกขึ้นมาตามหาลูกทั่วห้องเลยไม่เจอเลยนะไปหาตามซอกตามมุมก็ไม่เจอลูกตกใจลูกหายไปไหนเดินพลาดเลยนะตามหาลูกแต่สุดท้ายก็เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่ไหนหรอกนะตัวเองอุ้มลูกเอาไว้ด้วยมือสาย เองอุ้มลูกไว้ที่มือซรายแต่ไม่รู้เนะี่ยขนาดลูกนี่ก็หนักนะอย่างน้อยก็สามสี่โลแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่ากำลังอุ้มลูกอยู่จึงหาลูกไม่เจอนะแต่ว่าสักพักนี้ก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาแล้วก็ดีใจนะว่าโอ้เรานี่ อุ้มลูกเอาไว้กับตัวนี้เองไอ้ตอนที่หาลูกเนี่ยมันลืมไปนะว่าแบกลูกเอาไว้ลืมไปว่ากำลังอุ้มลูกเอาไว้ทั้งที่ลูกนี่ก็หนักพวกเราเนี่ยแบกหรือว่าอุ้มหรือว่าถือของหนักโดยที่ไม่รู้ตัวนี่บ่อยนะแม้บางทีก็หาของนั้นไม่เจอทั้งที่ถือไว้หรือแบกไว้กับตัวนั่นเอง แต่มันไม่ใช่แค่ตัวที่ถือนะบางทีใจก็แบกอะไรต่ออะไรมากมายแต่ก็ลืมขนาดลูกหรือว่าเป้เนี่ยหนักเป็น10โลนี่สะพายหรือแบกนี่ยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่มันเป็นของที่น่าจะรู้สึกได้ง่ายเพราะมันเป็นของหยากแล้วภาษาอะไรนะกับ เรื่องที่มันเป็นนามธรรมที่มันที่แบกไว้ในใจคนเราเนี่ยนะใจเราแบกอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเวลาทำงานก็อาจจะแบกลูกเอาไว้ทำงานไปก็ห่วงลูกไปหรือว่าเวลานอนก็แบกงานเอาไว้จนนอนไม่หลับแล้ไม่ใช่แค่แบกนะ ลูกหรือว่าแบกของที่รักอย่างเดียวนะอารมณ์บางอย่างที่ไม่ชอบที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยเราก็ยังแบกเอาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นความโกรธความเศร้าทั้งที่มันทุกข์มันร้อนรู้สึกหนักอกหนักใจแต่ก็ยังแบกไม่เลิกจนนอนไม่หลับบางทีจน ความดันขึ้นยิ่งบางคนนี่ป่วยเนี่ยนะทั้งที่ป่วยหนักแต่ว่าก็ยังแบกอะไรต่ออะไรมากมายแบกความโกรธแบกความเกลียดแบกความพยาบาทเอาไว้บางทีก็แบกลูกแบกทรัพย์แบกงานทำให้เครียดอีกแค่ปล่อยนะแค่ปล่อยเนี่ยมันก็จะเบาแต่ทำไมจึงไม่ปล่อย ทำไมจึงไม่วางนะก็เพราะไม่รู้ตัวแต่มันก็มีเหตุผลอื่นด้วยนะที่ทำให้คนเราแบกอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ไม่รู้ตัวหรือลืมตัวเท่านั้นนะย้อนกลับไปที่พวกนักประจนเพิเนี่ยที่เขาแบกเป้แบกเครื่องมือ ขณะที่วิ่งหนีไฟเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยบางทีเขาก็รู้นะว่าเขากำลังแบกกำลังถืออะไรอยู่แต่เขาไม่ยอมปล่อยเพราะเขารู้สึกว่าไอ้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของเขาอย่างมีนักประจนเพลิง บางคนก็บอกนะว่าเนี่ยจะทิ้งไปได้ยังไงนะไอ้พวกพัวพวกขวานพวกนี้ถ้าไม่มีของพวกนี้แล้วเนี่ยแ้ฉันจะเป็นนักประจน์เพลิงได้ยังไงคือไปยึดของแล้วนะวเป็นตัวฉันเป็นตัวฉันอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่ทำให้คนเราเนี่ยยึดอะไรต่ออะไรมากมาย ท, าทั้งที่ มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือยึดว่าเป็นตัวฉันยึดว่าเป็นของฉันบางทีภัยอันตรายนี่มาถึงตัวแล้วนะยังไม่ยอมทิ้งเข้าของทรัพย์สินอย่างเช่นเวลามีพายุนะบางครั้งพายุนี่มันโหมแรงมากนะทางราชการก็บอกให้อพยพหนีพายุ อย่างพวกเฮริเคนี่ทอร์นาโดเนี่ยใต้ฝุ่นไงนะแต่คนจนวมากนี่ไม่ยอมนะไม่ยอมทิ้งบ้านไม่ยอมทิ้งรถไม่ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติขออยู่บ้านขออยู่กับทรัพย์สมบัติพราไปยึดไปเนี่ยของชั้นของชั้นจะทิกมันไปได้ยังไงและพอยึดไปเป็นของชั้นเนี่ยนะ บางทีพอสูญเสียสิ่งเหล่านั้นจริงๆเนี่ยมันมันใจสลายเลยนะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์หรือว่ า, าหุ้นที่ตัวเองครอบครองเนี่ยมันกลายเป็นขยะไปก็ทำใจไม่ได้นะจริงๆเนี่ย ก็มีคนเตือนแล้วว่าให้รีบขายหุ้นได้แล้วเพราะหุ้นมันราคาตกแต่หลายคนไม่ยอมขายนะเพราะยังหวงแหนในของชั้นของชั้นจะขายทิ้งได้ยังไงยังมีความหวังว่าหุ้นมันจะขึ้นพอหุ้นมันตกนะจนกลายเป็นเสดเงินเนี่ยโอ้ยทำใจไม่ได้เลย บางทีมันก็ถึงกับค่าตัวตายเพราะว่าทำใจไม่ได้ที่ไอสิ่งที่เป็นของชั้นนี่มันสูญสลายหายไปบางคนก็ธุรกิจล้มละลายถูกยึดบ้านถูกยึดรถโอ้ทำใจไม่ได้นะของชั้นของชั้นค่าตัวตายแล้วก็มีนะทนไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่ยึดเป็นของชั้น แบบนี้นี่มีเยอะนะมันเหมือนกับว่าคนหนึ่งคนที่คนหิบสมบัติขึ้นเรือเรือเดินทะเลเนี่ยพอไปถึงกลางทะเลบอกว่ามีคลื่นมีพายุเรือก็โครงเคลงก็หิบสมบัติก็ตกทะเลเจ้าของนี่ทำใจไม่ได้นะ ของชั้นของชั้นนี่มันจะจมทะเลได้ไงโดลงไปไปกอดถีบสมบัติเพราะคิดว่าจะสามารถที่จะกู้มันขึ้นมาแต่ทางตรงข้ามนะฮีสมบัตินี่มันกลับฉุดคนคนนั้นเนี่ยดิ่งลงทะเลจนตายเลยนี่ถ้าก็เพียงแต่เขาปล่อยนะถ้าก็ปล่อยเขาก็รอด แต่ตัวอย่างของคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่ยอมปล่อยเป็นเพราขยึดเอาไว้เนี่ยนะถึงตายทำไมไม่ปล่อยเพราะยังยึดว่าเป็นของฉันของฉันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยของเรานั้นไม่ได้เป็นของเขานะเข า, าเป็นของมัน สมบัติเรานะไม่ได้เป็นของชั้นนะแต่ชั้นนะ่ะเป็นของมันถ้คนที่ไปยึด่าของช้าของชั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้ตัวแล้วนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นของมันมากกว่าไม่ว่ามันในที่นี้จะหมายถึงทรัพสมบัติหุ้นรถยนต์บ้านหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ แล้วก็ตามที่เรายึว่าเราแล้วก็ตามที่เรายึว่ามันเป็นของเราเนี่ยเรากลายเป็นของมันทันทีเลยแล้วพอเราเป็นของมันนะเราก็ตายเพื่อมันได้มันก็สามารถจะฉุดให้เราเนจมดิ่งลงทะเลอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สําคัญนะที่ทําให้นักประจนเพิงเนี่ยจํานวนมากเนี่ยเขาถูกไฟคลอกตาย เพราะว่าเข้าไปยึดว่าเนี่ยมันเป็นของฉันของฉันมันคือตัวตนของฉันฉันจะทิ้งมันไปได้ยังไงทิ้งมันไปฉันตัวเปล่าฉันจะเป็นนักประจนเพลิงได้ยังไงอันนี้คือย่อเป็นตัวกูนะแต่คนเราไม่ได้ไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเป็นตัวกูเท่านั้นนะแต่งย่อเป็นของกูด้วย แล้วก็ไม่ใช่รูปธรรมอย่างเดียวนา ม, มาทำด้วยเช่นหน้าตาชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งหน้าที่พอสูญเสียมันไปทำใจไม่ได้นะพร้อมจะตายเพื่อมันหรือว่าพร้อมจะตายไปกับมันอันนี้คือเหตุแห่งความทุกข์นะของผู้คนบางทีก็ไม่ถึงไ ม, ไม่ถึงกับทาให้ตายหรอก แต่มันก็ทำให้กลุ่ม อ, อกกลุ่มใจทำให้เศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะยึดเพราะความไม่รู้ตัวหรือยึดเพราะหมายมามัเป็นของกูหรือเป็นตัวกูเนี่ยก็ล้วนแต่ทำให้ทุกข์ทั้งนั้นเรื่องความรู้ตัวนี่สาคัญนะความรู้ตัวเนี่ยเพราะเราแบกอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวนี่ยเยอะทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรม บางทีก็แบกด้วยกายบางทีก็แบกด้วยใจแต่บางทีแม่จะไม่ได้แบกด้วยกายแต่ว่าใจมันแบกอะไรต่ออะไรมากมายด้วยความไม่รู้ตัวแบกความทุกข์แบกความสศกแบกความเศร้าแบกความหนักอกหนักใจไว้เพราะไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเกิดรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันวางเลยนะพอรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็หลุดจากความหลงหลงนี่มันมีสองแบบนะหลงคือไม่รู้ตัว อันนี้คนนี่หลงเยอะพอไม่รู้ตัวมันก็ไปยึดอะไรต่ออะไรมากมายที่ทำให้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจหรือบางทีทําให้ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้แต่นอกจากหลงเพราะไม่รู้ตัวแล้วมันก็ยังมีหลงอีกแบบหนึ่งนะคือไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแต่ถ้าเผล อ, อหรือหลงไปยึดเป็นของเราเมื่อไหร่นี้เราเป็นของมันทันที แล้วมันก็สามารถจะฉุดให้เราเนี่ยจมดิ่งไปสู่ความทุกข์หรือว่าตายเพราะมันก็ได้เหมือนกับที่หลายคนเนี่ยเวลาถูกโจรจี้เอาเงินเอาสร้อยเอาเพชรเนี่ยแทนที่จะคิดถึงการเอาชีวิตรอดนะกับต่อสู้ขัดขืนไม่อยากสูญเสียมันไปก็กลายเป็นว่าตายเพื่อมัน ตายเพื่อมันถ้าตายเพื่อมันก็แสงว่าเราเป็นของมันเนี่ยถ้ามันเป็นของเรานะเราก็พร้อมจะสละได้หากว่าจะทำให้ชีวิตรอดหรือทำให้รอดจากทุกข์แล้วคนเราเนี่ยแบกอะไรต่ออะไรมากมายจนทุกข์ยามเจ็บป่วยก็แบกถึงเวลาตายก็ยังแบกนะแบกโดยไม่รู้ตัว หลายคนนี่ตายด้วยความทุรนทุรายตายไม่สงบเพราะว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจะเป็นลูกเมียสามีคนรักทรัพย์สมบัติแบกเอาไว้แล้วส่วนใหญ่แบกโดยไม่รู้ตัวนะก่อนจะตายเนี่ยก็ยังแบกเอาไว้มันก็เลยทําให้เกิดความเศร้าหมองทําให้เกิดความเศร้าโศกทําให้เกิดความอาลัย อ, อาวรณ์ แลยิ่งกวนนั้นยังแบบความโกรธแบบความเกลียดแบบความพยาบาทเอ้ยิ่งทำให้จิตใจเนี่ยรุ่มร้อนจังที่ถ้าปล่อยถ้าวางนะไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักทรัพย์สมบัติหรือว่าอารมณ์ที่มันไม่น่ารักเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดเนี่ยมันก็สามารถตายสงบไปสบายได้ แต่พอแบกเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นตัวหน่วงตัวถ่วงที่ทำให้ไม่สามารถไปสงบหรือว่าไปสบายได้เมื่อคนไม่ต่างจากสัมภาระนะที่มันถ่วงนักประจนเพิงเนี่ยซึ่งกำลังหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่สุดท้ายก็ถูกไฟเผาผลาญถ้าเพียงแต่ปล่อยถ้าเพียงแต่วางนะ รอดชีวิตหรือถ้าคนเรารู้จักปล่อยอะไรต่ออะไรหลายอย่างก็จะสึกเบาก็จะคลายทุกข์ได้หรือว่าถึงเวลาที่จะตายเนี่ยเมื่อรู้จักปล่อยอะไรต่ออะไรที่มันกดทวงหนุนทับใจก็จะไปสบายไปสงบได้แต่พอไม่ยอมปล่อยเพราะว่ายึดด้วยความไม่รู้ตัวหรือพ่อยึดว่าเป็นของกูของกูหรือว่าเป็นตัวกูมันก็เลยทําให้สุดท้าย ก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานเรียกว่าไปไม่ดีราะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ว่าอยากจะอยู่สบายหรือว่าตายสงบเนี่ยนะการปล่อยการวางนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวแล้วจะปล่อยจะวางได้เนี่ยมันต้องมีตัวที่สําคัญคือความรู้สึกตัวพอถ้าไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็จะเผลอหรือลืมตัวแบกโน่นแบกนี่ยึดโน้นยึดนี่ ที่มั น, นมันคอยจะเป็นตัวกดทวงน่วงทับหรือน่วงเหนียวทำให้ไม่สามารถที่จะหนีแัยอันตรายเหล่านี้จาความทุกข์ได้แค่ปล่อยแค่วางดนะ้วยความพอรู้ตัวเนี่ยมันก็ทาให้เบาสบายเป็นอิสระหรือไกลจากความทุกข์ได้อย่านิพุตนี้นะกราบพ